พระไตรปิดกเล่มที่ส4จุลกร ม, มวิพังคสูตรว่าด้วยการจำแนกกรรมสูตรเล็กสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถาบินธิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นแหลสุภามานพโตเทยบุตรเข้าเฝ้ากราบทูลถามว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัตว์ที่เกิดเป็นมนุษ ปรากฏเป็นคนเลวและคนดีมีอายุสั้นอายุยืนมีโรคมากมีโรคน้อยมีผิวพรรณซามมีผิวพรรณดีมีอำนาจน้อยมีอำนาจมากมีโภคะน้อยมีโภคะมากเกิดในตระกูลต่ำเกิดในตระกูลสูงมีปัญญาน้อยมีปัญญามากตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นทายาท มีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมย่อมจำแนกสัตว์ทั้งหลายให้เลวและดีต่างกันบุคคลเป็นผู้ฆ่าสัตว์เป็นคนหยาบช้ามีมือเปื้อนเลือดฝากไปในการประหัดประหารไม่มีความการุณาในสัตว์ทั้งหลายเพราะกรรมที่ทำบริบูรณ์ยึดมั่นไว้อย่างนั้นหลังจะตายแล้ว เขาจึงไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตเนรกหรือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นคนมีอายุสัน้นส่วนบุคคลที่เป็นผู้ละเว้นขาจากการฆ่าสัตว์วางทันทาวุธและสัตวราวุธมีความละอายมีความเอ็นดูมุ่งหวังประโยชน์เกือ้อกูลในสัพพสัตย์เพราะการรมที่ทำบริบูญยึดมั่นไว้อย่างนั้นหลังจากตายแล้วเขาจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ หรือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์จะเป็นคนมีอายุยืนบุคคลเป็นผู้เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายด้วยฝ่ามือก้อนดินท่อนไม้หรือสัตราเพราะการรมที่ทําบริบูรณ์ยึดมั่นไว้อย่างนั้นหลังจากตายแล้วก็จะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตเนรกหรือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นผู้มีโรคมาก ส่วนบุคคลผู้ไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายเพราะการรมที่ทำบริบูรณ์ยึดมั่นไว้อย่างนั้นหลังจากตายแล้วเขาจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์หรือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นผู้มีโรคน้อยบุคคลเป็นผู้มักโกรธมากด้วยความขับแค้นถูกผู้อื่นว่ากล่าวแม้เล็กน้อยก็ขัดใจโกรธพยาบาทปองร้าย แสดงความโกรธความปองร้ายและโทษเล็กน้อยให้ปรากฏเพราะกรรมที่ทำบริบูรณ์ยึดมั่นไว้อย่างนั้นหลังจากตายแล้วเขาจึงไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกหรือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นผู้มีผิวพันธ์สามส่วนบุคคลเป็นผู้ไม่โกรธไม่มากด้วยความขับแค้น ถูกผู้อื่นว่ากล่าวแม้มากก็ไม่ขัดใจไม่โกรธไม่พยาบาทไม่ปองร้ายไม่แสดงความโกรธความปองร้ายและโทษเล็กน้อยให้ปรากฏเพราะการรมที่ทำบริบูรณ์ยึดมั่นไว้อย่างนั้นหลังชัดตายแล้วเขาจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์หรือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์มีผิวพรรณผ่องใสบุคคลเป็นผู้มีใจฤษยา ย่อมริษยาประทุษร้ายผูกความริษยาในลาบสการะความเคารพความนับถือการกราบไหว้และการบูชาของบุคคลอื่นเพราะการรมที่ทำบริบูรณ์ยึดมั่นไว้อย่างนั้นหลังจากตายแล้วเขาจึงไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกหรือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นผู้มีอำนาจน้อยส่วนบุคคลผู้มีใจไม่ริษยา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 บุคคลเป็นผู้ไม่ให้ข้าวไม่ให้น้ำไม่ให้ผ้าไม่ให้ยานไม่ให้ที่นอนที่พักเรื่องประทีพแกสมัญนาปราบหรือนักบวชผู้ประพฤติ ธ, ธรรมในข้อนี้น่าจะหมายถึงการไม่รู้จักทำทานให้บุคคลหรือสัตว์ตามความเหมาะสมด้วยไม่ใช่แค่นักบวชเท่านั้นนะครับเพราะกรรมคือความตรนีที่เขาทำบริบูรณ์ยึดมั่นไว้อย่างนั้น หลังจากตายแล้วเขาจึงไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกหรือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นผู้มีโภคะน้อยส่วนบุคคลผู้ให้ข้าวน้ำยานผ้าที่นอนที่พักเครื่องประทีปแก่สมณพราหมณ์เพราะการรมที่เขาทาให้บริบูรณ์ยึดมั่นไว้อย่างนั้นหลังจากตายแล้วเขาจึงไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์หรือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ เป็นผู้มีโภคะมากบุคคลเป็นผู้กระด้างเย่อหยิ่งยอมไม่กราบไหว้ผู้ที่กวรกราบไหว้ไม่ลุกรับผู้ที่กวรลุกรับไม่ให้อาสนะแก่ผู้ที่ควรให้อาสนะไม่ให้ทางแก่ผู้ที่กวรให้ทางไม่สักการะเคารพนับถือบูชาผู้ที่กวรสักการะเคารพนับถือบูชา เพราะกรรมที่ทําบริบูรณ์ยึดมั่นไว้อย่างนั้นหลังจากตายแล้วเขาจึงไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตเนรกหรือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นผู้เกิดในตระกูลตำ่ำส่วนบุคคลบางคนเป็นผู้ไม่กระด้างไม่เยอะหยิงยอมกราบไหว้ผู้ที่กวรกราบไหว้ให้อาสนกให้ทางแก่ผู้ที่กวรให้ สักการะเคารพนับถือบูชาผู้ที่สมควรแก่การสักการะเคารพนับถือบูชาเพราะ ก, กรรมที่ทำบริบูรณ์ยึดมั่นไว้อย่างนั้นหลังจากตายแล้วเขาจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์หรือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นผู้เกิดในตระกูลสูงบุคคลไม่เข้าไปหาสมณพราหมณ์และสอบถามว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศล อะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพกรรมอะไรเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกตลอดกาลนานกรรมอะไรเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสุขตลอดกาลนานสำหรับข้อนี้ไม่ได้หมายถึงว่าต้องเข้าไปหาเพื่อถามเท่านั้นแต่หมายถึงการขวนขวายปักไปหาความรู้ด้วยตนเองด้วย ในปัจจุบันเทียบได้กับการคนา้นคว้าหาอ่านหาปังศึกษาพระไตรปิฎกคือคำสอนแท้ของพระพุทธศาสนาได้ด้วยตนเองนะครับเพราะกรรมนั้นคือการไม่ไฝ่ศึกษาคำสอนที่ถูกต้องไม่รู้จักบุญบาปหลังจากตายแล้วเขาจึงไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนารกหรือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นผู้มีปัญญาสาม ส่วนบุคคลรู้จักสอบถามศึกษาหาความรู้ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเสพไม่ควรเสพกรรมอะไรเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกตลอดกาลนานกรรมอะไรเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสุขตลอดกาลนานเพราะกรรมที่ทำบริบูรณ์ยึดมั่นไว้อย่างนั้น หลังจะตายแล้วเขาจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์หรือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นผู้มีปัญญามากสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผาพันมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมยอมจำแนกสัตว์ทั้งหลายให้เลวและดีต่างกันด้วยประการชนนี้ เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แลว้วสุภามานพโตเอยบุตรได้กราบทูลสรรเสริญพระภาสิตพร้อมประกาศตนเป็นอุบาสกยึดพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งสูงสุดตลอดชีวิตดังนี้แหละจบจุลกกัมมะวิพังขสูตรหมายเหตุผู้อา่านในปัจจุบันมีการสอนแบบผิดผิดพาไปสู่มิจฉาทิฏฐินะครับว่า คำที่ว่ามีกรรมเป็นทายาทคือเป็นกรรมที่ตกทอดมาจากพ่อแม่ซึ่งในความเป็นจริงเป็นไปไม่ได้นะครับใครทํากรรมคนนั้นต้องรับผลนั้นเหมือนคนกินข้าวใครกินคนนั้นอิ่มไม่มีทางว่าคนอื่นกินแล้วเราจะอิ่มนะครับคําว่ามีกรรมเป็นทายาทหมายถึงว่าทําอะไรไว้กรรมนั้นก็จะติดตามตัวไปทุกภพกทุกชาติ เสมือนเป็นทายาทของเราที่เกิดโดยการกระทาของเราเอง